พอเรียกได้ขอปัญหาปากคลอกเลยซึ่งมีอยู่กับทุกคนว่าโลกหน้ามีไหมพอเรื่องนโลกหน้ากับผู้ไปสู่โลคหน้าโลกหลังอะไรมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องของทุกคน เขาถามดังนั้นเราก็จะยตอบเขาถามเขาเมื่อวานไม่มีไหมแล้วเมื่อเช้านี้มีไหมปัจจุบันนับบันนี้มีไหมแล้วตอนบ่ายตอนเย็นและคืนวันนี้ก็มีไหมถามเขาก็ยอมรับว่ามี แล้ววันพรุ่งนี้จะมีไหมวันมะรืนเดือนนี้เดือนหนา้าปีนี้ปีหน้าต่อไปจะมีไหมมันเคยมีมาแล้วเนี่ยมันจำได้มันก็พอเดาไปได้ถึงยังเรื่องยังไม่มาก็ตามก็เอาสิ่งที่จำได้แล้วไปเทียบเทียงกยันถ้าเป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นมาแล้วแล้ะข้างหน้าจะต้องเป็นไปตามนี้ดังที่เคยเป็นมาเช่เมื่อวานนี้มีมาแล้ววันนี้ก็มี มันก็เคยผ่านมาอย่างนี้เป็นลาดับเราจําได้เราไม่ลืมแล้วตอนบ่ายตอนค่ำตอนกลางคืนตอนถึงปันวันทุ่นในเช้าเราก็เคยเคยเที่ยมมาแล้วตั้งแต่เรื่องที่มันเป็นมาเห่านั้นผ่านมาซึ่งไม่มีอะไรผิดกันก็ยอมรับกันว่ามีนี่ก็คือความหลงเรื่องของตัวเองแค่เรื่องเดียวเท่านั้นมันจึงเป็นเรื่องใหญ่โต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 ผู้แบกหามปัญหาเหล่านี้เนี่ยโทษทางความหลงความจําไม่ได้มันมาแสดงอยู่กับตัวของเราแต่เรายังจะจับสาเหตุของมันไม่ได้เป็นมาเพราะเหตุไรสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วมันก็จําไม่ได้ในเรื่องของตัวเลยหมุนตัวเองไม่ทราจะไปทางไหนความหลงตัวเองจึงเป็นเรื่องลุ่งยากอยูไม่ น, อน้อยหลงสิ่งอื่นนั้นควยนังนชั่วไอ ห, หลงตัวเองนี่มันเป็นปัญหา ผลมันก็นจะท้อนกลับมาหาตัวเองไม่ไปที่อื่นพราะพุทธเจ้า ท, ท่านจึงสอนให้คลี่คลายเรื่องของตัวเองการจะไปคลี่คลายเรื่องตัวเองด้วยวิธีอื่นใดไม่สําเร็จนอกจากเรื่องจะทํำคุณงามความดีเข้ามาเริ่มดับเป็นเครื่องสนับสนุนด้นเข้ามาสู่กิตภาวนาเพื่อจะคลี่คลายดูยเรื่องตัวเองเรื่องตัวเองคือเรื่องคืออะไรก็คือเรื่องของใจ ใจเป็นผู้แสดงกอดเหตุก่อผลอยู่ตลอดเวลาทั้งความสุขความทุกข์ความรุ่งเหยองวุ่นวายชวนมากเป็นอย่างนี้ไม่ไม่ไมไมปไม่เป็นความดีถ้าไม่ใช้ความบังคับบัญชาในทางที่ดีมันจะมีแต่ความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นมาจากความพุ่งส่านวุ่นวายยึดใจแสบไปอย่างต่างๆด้วยหาเหตุหาสาระไม่ได้ แต่ผลที่จะพุงได้รับนั้นมันเป็นสาระสำคัญอันหนึ่งที่จะให้เราเกิดความกระทบกระเทือนได้คือเป็นเรื่องยากเรื่องหนักความหลงตัวเองท่พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ดูตัวเรื่องคือดูดูตัวใจที่แรกยังไม่เข้าใจก็ต้องบอกวิธีเอาอย่างนี้ ก, ก่อนท่านสอนให้ภาวนา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 ความที่จิตปรากฏเป็นทีตของตอนหรือเป็นหลักเป็นใจขึ้นมาได้เพราะอะไรเนี่ยก็เพราะบุญธรรมเป็นเครื่องเกาะของจิตในเมื่อเราเห็นคุณของสารธรรมที่ปรากฏขึ้นเป็นความสงบเช่นนี้เราในขณะเดียวกันเราก็เห็นโทษในความพุ่งซ่าบุนวายของจิตที่หาหลักคิตไม่ได้แล้วก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ตัวในขณะเดียวกัน มี่เป็นขั้นหนึ่งที่ท่านสอนให้รู้เรื่องของจิตในขั้นนี้ก่อนและพยายามทำจิตให้มีความสงบแน่วแน่ลงไปโดยลาดับด้วยบทธรรมดังที่กล่าวมานี้เจริญแนวเจริญแน่วจนมีความสำ น, นินกชำนาญกระทั่จิตได้รนนับความสงบได้ตามความต้องการเป็นความํานาง ในการภาวนาเพื่อความสงบจิตพอจิตรวมเป็นตนเป็นตัวเข้ามาปรากฏเป็นความมู้เด่นขึ้นมาแล้วนั่นแหละในขณะเดียวกันก็เป็นอันว่ารวมพิเลกเข้ามาสู่จุดเดียวเพื่อเห็นได้ชัดพิเรกที่เป็นไปตามกระแสะของจิต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 ร่องรอยของจิตก็พอมองเห็นได้พราจิตเคยสงบลอยความตัวออกไปก็ทราบท่านจึงสอนให้พิจณาคลี่คลายทั้งสิ่งที่จิตไปเกี่ยวข้องนั้นคืออะไรให้เห็นอย่างชัดเจนรูปรู ป, รปอะไรไปเกี่ยวข้องกับรูปนั้นเพราะเหตุอะไรดูรูปขยายรูปแยกส่วนแบ่งส่วนรูปนั้นให้เห็นชัดเจนตามความจริมท้องหมัง เมื่อเราได้แยกแยะส่วนรูปจะเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่ให้เห็นตามความเป็นจริงของมันแล้วในขณะเดียวกันก็จะได้เห็นความเหล็วไหลของจิตที่ไปยึดมั่นถือมั่นสัมพันธ์ต่างๆโดยหาสาเหตุอะไรไม่ได้ฮัมุงความจริงไม่ได้เพราะพิจารณาอนั้นแล้วไม่มีอะไรนี่ิดเป็นความสําคัญของจิตเป็นหมาอัตตาหักในขณะเดียวกันก็ทาให้เห็นโทษ แห่งความไปสําคัญนั้นหมายความว่ามั่นถือมัน่นของจิตในในขณะนั้นด้วยเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนเข้าไปมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นทั้งรูปหรือเสียงสิ่งรดเครื่องสัมผัสทั้งอาการของจิตที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นให้เห็นชัดเจนขึ้นโดยลําดับเช่นเดียวกันินกระทั่งรู้แจ้งเห็นชดัด ด้วยปัญญาที่พี่คายอยู่โดยสม่ำเสมอทั้งภายนอกรู้แจ้งเห็นชัดทั้งอาการของจิตที่ไปเกี่ยวข้องนั้นเพราะเหตุนั้นเห็นนั้นเห็นนั้นนานแต่ก่อนไม่ทราบว่ามันเกี่ยวข้องเพราะเหตุอะไรทนี้ก็ทราบชัดไปเกี่ยวข้องเพราะเหตุนั้นนั้นก็คือเพราะหลงอันนั้นเพราะความสําคัญผิดอย่างนั้นอย่างนัทีนี้เมื่อพิจารณาตามความจริงเห็นตามจริงในสิ่งภายนอกแล้วเราก็ทราบทัดว่าจิตมันไปสําคัญเป็นอย่งนั้นนั้นมันจึงเกิด อ, อุปทานความมันม่นถือมั่น ความรักความชังขึ้นมาเป็นก่เหลืสเครื่มไปประยุกต์ก็ทราบทั้งความเหลายๆของจิตจิตเมื่อทราบว่าตนุลหลายแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาเพราะจะผืนปิดไปยึดมั่นถึงมันก็ปัญญาก็แทงทะลุไปหมดแล้วไปยึดมันถึงมันหาอะไรก็เลยพิจารณาแล้วทราบชัดแล้วว่าคือจิตนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้นนี่วิธีคลีค่คลายกองปัญหาใหญ่ ที่รวมแล้วเป็นผลของกองทุกภัยใจทา่านสอนใน้ี่คาอย่างนี้เมื่อขี่คาอย่างนั้นอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดไม่ละจนเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วไม่ต้องบอกให้ปล่อยจิตรู้แล้วจิตต่อยเองจิตที่ยึดคือจิตไม่รู้เมื่อรู้เต็มเต็หมหัวใจแล้วต้องปล่อยเต็มเต็มตัวทีเดียวต่อยอย่างไม่มีอะไรเสียหน่าย เข้ามาความตังวลทั้งหลายที่กิดเคยวุ่นวายนั้นมันก็หายไปเองเพราะปัญญาสอดส่องเมาทลุกให้เห็นแจ้งเห็นชัดไปหมดแล้วความไม่สาบจะไปงมอะไรอีกนยปัญหาของหัวใจมันก็แคบเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆภายนอกมันก็หมดไปหมดไปมันก็เข้าทำนองที่เคยเทศนัท่นเองแล้วก็มาคลี่คลายดู ขณะจิตที่แยกออกไปในเรื่องอะไรบ้างในขณะเดียวกันมันแยกออกไปจากที่ไหนเพราะสติปัญญาทันมันแยกออกขณะนั้นมันก็ดักในขณะนั้นไม่ถึงก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมาเพราะสติทันปัญญาทันคอยปีคอยต้อนคอยปราบปรามกันอยู่เสมอแล้วขยับเข้าไปตามนองรอยมันเข้าไป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 จนกระทั่งทราบว่าจิตนี้ได้ขาดกับถึงได้แล้วและยังอันใดที่มีความสัมผัสมีความสนใจที่อยากรู้อยากหึงดูเวลานี้จิตก็ตามเชืออ่อ น, นี้เข้าไปอี่เล็ก็แค่กินเพราะ ตัดสะพานหมดที่จะไปสื่ต่อกับผู้ขับเสียงกับปล่นกับรถเครื่องฉันผัดทั่วโลกทินแดนหายสงสัยไงหมดเท่าเหมือนกับโลกใหม่มเหลือแต่ความรู้ที่ปรุงอยู่ยี่ยับยี่ยับอยู่ภายในติดนี่ตัวขนองก็อยู่ที่นี่ตัวปรุงตัวแต่งตัวดิ้นโดนกระวนรกระวายก็มีอยู่ที่นี่แต่ก่อนดิ้นไปไหนก็ไม่ทราบทราบแต่ว่าผลที่ปรากฏขึ้นมานั้น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 เรื่อมันก็มีกระยุกกระจัาอยู่ภายในจิตมียิ่งเห็นได้ชัดะําหนดเข้าไปพิจารณาเข้าไปคุยเคี่ยวขุดคน้นด้วยสติ ด, ด้วยปัญญารอบตัวอยู่ทุกขณะน่ะไม่ว่าทุกเอียบทแลท้วถึงกลาเป็นทุกขณะที่จิตกระเพื่องตัวออกมารู้ทั้งขณะที่กระเพื่องรู้ทั้งขณะที่ดับไป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 อย่างไม่ลดละท้อถอยด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งที่เป็นไัยสิ่งที่ก่อให้ก่อกําเนิดเกิดเป็นตับเป็นบุคคลท่องเทีย่ยวยังมาตัดอุษสารคือตัวใดแน่อะไรเป็นสาเหตุแน่อยู่ที่ไหนเวลานี้อยเ่ีย่างแบบคุยเขี่ยปุดข้นลงไปด้วยปัญญาก็ไม่พ้นที่จะรู้จะเห็นตัวเหตุสําคัญที่ก่อกองทุกข์ให้สารโลก เรื่องเจเลตที่แทรกในภายนาจิตอันอย่างลึกหลักนั่นแหละทีนี้เปิดเผยกตยวขึ้นมาแล้วเพราะไม่มีที่หลบซ่อนดูเสียงกินลดเครื่องสัมผัสซึ่งเป็นที่หลบซ่อนแต่ก่อนไม่มีได้ตัดสะพานหมดแล้วก็มาหลบซ่อนอยู่ที่จิตทานน่านเองถือจิตเป็นที่หลบซ่อนค้นคว้าลงไปที่จิตจนแหลกกระจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเหมือนกับสภาวะธรรมทั่วไปที่เคยได้พิจารณาโดยทางปัญญาอันนี้ก็พิจารณาแบบนั้นเหมือนกัน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 เดียการเรียนการแก้สัญหาตัวเองแก้ลงที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าก็แก้ที่ตรงนี้ชาวกอรหันหันท่านแก้ที่ตรงนี้รู้กันที่ตรงนี้ตัดได้ขาดโดยสิ้นเชิงที่ตรงนี้ได้ประกาศองค์ศาสดาขึ้นมาว่าเป็นผู้สิ้นแล้วจากทุกหรือเป็นาศาสนาเอกของโลกก็ประกาศขึ้นมาจากความหมดเรื่องอันนี้เองการเรียนโลกจบก็เรียนจบที่จิตโลกคือหมูส่สัตว์ชาติาแปลว่าผู้คล้องคล้องอยู่ที่จิต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 อะไรๆก็ไม่เท่าเพราะไม่หนกักเท่าหัวใจที่แบกกองทุกแบกอยู่ที่หัวใจเพราะเรียนไม่จบแบกบแต่ทุกเพราะความมุ่งความหลงเมื่อวิ่ชาคือความรู้ได้ปรากฏขึ้นแล้วทําลายสิ่งที่เป็นภายในทั้งหมดออกจากจิตใจชื่อว่าเป็นผู้เรียนตกแล้วคำว่าไตรพคกามภคกูภครูภคเพราะหมดมันอยู่ที่ใจกามาพบก็คือจิตใจที่ประกอบด้วยสิ่งนั้นรูภค รู้พบเขสมมติถึงนั้นๆอยู่ในสามพบฝังอยู่ภายในจิตใจเมืใจได้ถอดถอนสิ่งเหล่านี้ออกหมดก็เป็นอันว่าหมดปัญหานี่แก้ปัญหาแก้ที่ตรงนี้โร ก, กนี้โลกหน้าอยู่ที่นี่เป็นผู้ที่จะก้าวไปโรคไหนไหนก็คือผู้นี้จะก้าวไปรับทุกข์มากน้อยก็คือผู้นี้คือตัวโคงจักที่มีอยู่ภายในจิตใจไม่มีในที่อื่นใด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 ถ้ามาแก้ตรงนี้ก็ไม่พ้นที่จะไปโดนกองไฟสือความทุกข์ร้อนถ้าแก้ตรงนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาออกไฟอยู่ที่ไหนไม่มีปัญหาเมื่อรักาษาตัวได้แล้วเนี่ยมันก็มีเท่านั้นนี่เป็นโรคที่หนักมากสําสหรับมวลสัตว์โลกทั้งหลายไม่ปัญหาอะไรเกิดขึ้นผมน่าจะขึ้นตรงนี้ ตายแล้วเปิดลึกท้ายแล้วสูงโลกหน้ามีไหมนรกมีไหมสวรรค์มีไหมวันนี้ก็ถามนรกสวรรค์มีไหมแล้วก็ขี้เกียจจะตอบไม่ทราบจะตอบอะไรเพราะผู้แบบนรกสวรรค์ก็คือหัวใจก็คือมีอยู่กับทุกคนแล้วจะตอบไปให้เสี ย, วยเวลามีเวลาทำไมแก่ตัวตัวเหตุที่จะไปนรกไปสวรรค์แก่เหตุหรือบำรุงเหตุ ในทางที่ดีแก้เหตุในทางที่ชั่วเสียทำทุกข์มันก็ไม่มีถ้าแก้ถูกปผิดแล้วมันจะผิดตรงไหนแล้วเพราะส่อค้าทำสอนให้แก้ทิศถูกที่ตุดไม่มีผิดภรรมนิยานิก็ทํามก็นำผู้ที่ติดความทุกข์ร้อนด้วยอำนาจนแห่งความรุ่มหลงด้วยส่อค้ า, าทํามนั้นดีแล้ว แก้ที่ตรงไหนท้าไม่แก้ที่จุดปัญหาอันใหญ่โตก็มีอยู่ที่จิดทั้งท่านั้นความรู้อันนี้แหละอยากก็คือความรู้นี้ละเอียดก็คือความรู้อันนี้นนทําให้คนอยากทําให้คนละเอียดก็คือความรู้อันนี้เพราะที่ละเอียดเป็นเครื่องหนุมหลังทําให้ละเอียดก็เพราะความดีเป็นเครื่องแหง ละเอียดไปจนกระทั่งสุดละเอียดแล้วก็สุดสมยุติลงด้วยความพ้นทุกข์ไม่มีเชื่อสืบต่ออีกต่อไปมันก็มีอยู่ปัญหาที่เขาถามว่ะการแก้วความขี้เกียจจะแก้ ว, วิธีไหนนะถ้าจะเอาความขี้เกียจไปแก้วความขี้เกียจเนี่ยมันก็เหมือนคนนั้นตายนั่ง ความขี้เกียจมันอ่อนไปหมดมันเหมือนคนจะตายอยู่แล้วจะเอาความขี้เกียจไปแก้ให้นอนซะดีหนะ่ามันจะตายแล้วนะ่ะตายอยู่บนหมอนหรือว่างตื่นแล้วก็ไม่ยอมลุกเพราะความขี้เกียจมันเหยียบย่ำทํางานมันบังคับไม่ให้ลุกนี่นั่นถ้าเอาความขี้เกียจไปแก้มันก็เป็นอย่างนั้นถ้าเอาความขยันมั่นเพียรเข้าไปแก้แล้วลุกปุ๊ปั๊บขึ้นมาสู้กันการที่มีการต่อสู้มันก็ต้องมีหวังชนะจนได้ ถ้ายอมหมอบลาบไปเลยมันก็มีแต่แพ้ท่าเดียวหรือจะเทียกว่าแพ้หรืออะไรก็ไมาา่ทราบก็ไม่มีทางต่อสู้จะว่าแพาน่ะได้ถ้ามีทางต่อสู้สู้เขาไมาได้กราพอจะว่าแพ้คนมีแพ้คนนั้นชนะแต่นี่ฮาทางต่อสู้ไม่ได้เลยไม่มีทางต่อสู้ไม่ต่อสู้เลยสนไม่สนใจต่อสู้เลยยอมลาบเอาอย่างเดียวนี่จะว่าไงจะไม่ว่าบ่อยกลางเรือนของกิเลสจะว่าอะไรมันก็บ่อยนั่นเนี่ย จะเอาวันนี้ไปแก้ที่เหลือมันก็เป็นเสริมที่เดลือใช่ไหมมันเต็มหัวใจแล้วจะเสริมให้ันมากอะไรอีกจะไปไหวที่ตรงไหนใจก็มีดวงเดียวนอกจากจะแก้มันออกด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามโดยทางเหตุตามผลเราคิดรอบแล้วยากลำบากเราก็สู้เหมือนยังถอดหัวน้ําออกจากเท้าของเราเจ็บก็ต้องทนถอดถ้าใจเราจะยอมให้มันตักจมอย่นั้นมันก็จะเน่าแคะไปหมด ทั้งเท้าแล้วไปไม่ได้เสียจนกรทั้งเท้าไปหมดเพราะฉะนั้นเหตุผลมีอยู่อย่างเดียวว่าต้องถอนมันออกให้ได้เสียบขนาดไหนต้องยอมถอนต้องทนนี่เหตุผลทุกก็ต้องยอมรับเมื่อถอนหัวน้ำออกแล้วมันก็หมดพิษสายยางไปมันก็หายไม่มีทางกําเริบอีกต่อไปเหมือนกับที่หัวน้ำมันจมอยู่ในนั้นเนี่ยอันนี้ที่เลยก็คือหัวน้ำเราดีๆนี่เอง แล้จะยอมันอยู่ตลอดเวลามันก็ฝังจมอนั่นแ่ะเหน่เก๊ยอยู่ในวัฏฏะของศาลนี่แหละจะว่าไงแล้วเราต้องการหรือว่าเป็นคนเหน่าเก๊ะทำไมต้องการสู้ถึงทาไมต้องการก็สู้เมื่อสู้แล้วต้องมีทางชนะก็ได้ถึงจะแพ้มาขีดขั้งก็ตามมีทางชนะในขั้งหนึ่งก็ได้พอชนะขั้งนี้ต่อไปก็ชนะเรื่อยๆแล้วช น, ช, นชนะชนะชนะเรื่อยไปเลยจนกระทัง่งไม่มีอะไร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 แต่สำคัญมั่นหมายแต่ตั้งกับตั้งกันก็แบกปัญหาปเททาเกิดพาตาทาทุกพาลมบ่งนั้นแหละบาทุกนี้ไม่มีบาปบุญมีหรือม่ก็เสวยกันอยู่ทุกคนเออคําว่าบาปก็ ค, คือความเศร้าหมองความทุกข์เนี่ยคําว่าบุญก็คือความสุขเพรานะว่าไงมันจะมีอยู่ในหัวใจในการของนะคนทุกคนแล้วปฏิเสธไปไหนนั่นเป็นชื่อว่าบาปนะชื่อบุญนะชื่อห้ามสุขนั่นแหละถ้านชื่อว่าบุญความทุกนั่นแหละที่เรียกว่าบาปผลของบาป เผลของความชั่วมันก็มีอยู่ด้วยกันเ้วจะไปหาที่ไหนอีกนรกด้วยไหมโรกก็ตามเธอถ้ามันทุกข์เราอยู่จนหัวใจแล้วใครอยากจะมาเกิดนี่มันรู้อยู่อย่างนี้จะไปถามถึงหนึ่งนรกนั้นเลีกที่ไหนอีกมันเผาที่ไหนมันก็ร้อนเช่นอย่า ง, งไฟขี้เราเนี่ยขี้ก็คงไหนเกาขีา้ก็ขี่มันต้องร้อนเมันกันหมดแต่ว่านรกหรือไม่นรกก็ตามใครก็ไม่ต้องการเพราะความทุกข์อันนี้รู้อยู่กับตัวเพียงไฟขี้ก็ยังรู้แล้ว แล้วจะไปหาโนรูที่ไหนอีกให้ร้อนยิ่งกว่าไฟอยนี้นะความสุขกร็รู้กับตัวแต่หาสวรรค์ที่ไหนให้มันเจอแต่ไหะเจอความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมแต่พราะยังยิ่งความสุขทางใจนับแต่ความสงบเย็นใจขึ้นไปเดิมหลักจนกระทั่งตั้งหลักตั้งฐานท่องจิงตได้แน่หนามันคงภายในจิตใจแน่ใจในตัวเองอ่ายิ่งกว่านั้นเอาให้หลุดพ้นไปแต่ไปถามมาที่ไหนสวรรค์นี่ถานไม่จําเป็นต้องถามเรา รู้อยู่กับใจขงเราเราเป็นเจ้าของอยู่แล้วเห็นชัดๆคลองกันอยู่แล้วเวลานี้จะไปหาที่ไหนอีกชื่องมที่ไหนเงาฮะได้ตัวแล้วก่ออยู่กับตัวให้มีเท่านั้นถ้ามังกรเจ้าไม่จะหลอกคนให้บูกนั่งคานี้เอาตัวปินที่ตรงนี้ภ า, ารกิจจะไําเร็จในสุดสัปดาห